อาต่อไปเดี๋ยวดูในเอกสารหน้าแรกเดี๋ยวอ่านพร้อมกันในพุทธการกธรรมสิบประการนะตรงนี้อ่านการบำเพ็ญบารมีของพระผู้มีภาคเจ้าเริ่มตั้งแต่ทานบารมีเป็นต้นไปหนึ่งทานบารมีเธอจงบำเพ็ญทานบารมีเิด อ, อันว่าภาชนะที่เต็มด้วยน้ำ เมื่อวางคว่าลงน้ำย่อมไหลออกหมดไม่ขังติดอยู่ในภาชนะนั้นฉันได้เธอเห็นผู้ยากไร้ทั้งหลายจงให้ทานอย่าให้เหลือดดภาชนะที่วางคว่มไวฉะนั้นสองศีลบารมีเธอจงบำเพ็ญศีลบารมีเถิด อันว่าจามรีรักษาขนหางแม้ติดอยู่ณที่ใดก็ย่อมตายอยู่ในที่นั้นไม่ยอมให้ขนหางเสียหายเส้นใดเธอจองบำเพ็ญศีลปริสุทธิศีลให้บริบูรณ์ในการทุกเมื่อดุจามรีรักษาขนหางของตนฉะนนั้นสาม เนคข ม, มะบารมีเธอจงบำเพ็ญเนคข ม, มะบารมีเธออันว่าคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำได้รับแต่ความทุกข์ทรมานปราศจากอิสราภาพย่อมไม่ปรารถนาที่จะอยู่แต่จะหาช่องทางให้พ้นไปจากเรือนจำนั้นฉันใดเธอจงเห็นพบทั้งปวง เสมือนเรือนจำจงมุ่งหน้าต่อเนคขมมะเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นไปจากภพฉนั้นสี่ ป, ญญาาออปัญญาบารมีเธอจงบำเพ็ญปัญญาบารมีเถิดอันว่าภิกษุผู้เที่ยวบินทบาตไม่ได้เลือกทายยกทายยิกาจะอยู่ในตระกูลตักมือกลางหรือชั้นสูง ย่อมรับบินทบาทพอยังอัตภาพให้เป็นไปชั้นใดเธอจงเข้าไปหาบัณฑิตสอบถามเรียนรู้กับบัณฑิตผู้มีปัญญาทุกท่านโดยไม่เลือกตลอดการทั้งปวงเมื่อถึงฝั่งแห่งปัญญาบารมีแล้วจักบรรลุสัมมาชั้น 5. วิริยบารมี เธอจงบำเพ็ญวิริยบา ร, รมีเถิดอันว่าราชสีมีความเพียรไม่ย่อหย่อนในอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินประคองใจไว้ทุกเมื่อฉันใดเธอจงประคองความเพียรไว้ให้มั่นคงในพบทั้งปวงเริ่มตั้งความเพียรถึงฟังแห่งวิริยบา ร, รมีแล้ว จากบรรลุพระสัมมาญานได้ฉะนั้น6เธอจงบำเพ็ญเธอจงบำเพ็ญขันติบา ร, รมีมีใจแน่วแน่ในขันติบา ร, รมีอันว่าแผ่นดินต่อสิ่งของที่ทิ้งลงมาซึ่งมีทั้งที่สะอาดบ้างและไม่สะอาดบ้างไม่รู้สึกยินดียินร้ายฉันใด เธอจงอดทนต่อการยกย่องและการเหยียดหยามของชนทั้งปวงฉันนั้นถึงฟังแห่งขันติบา ร, รมีแล้วจักบรรลุพาสัมมาทิยานได้เจ็ดสัจจะบา ร, รมีเธอจงบำเพ็ญสัจจะบา ร, รมีมีวาจาแน่นอนไม่เป็นสองอันว่าดาวประกายพรึกเป็นดาวนปะเคราะห์ที่เที่ยงตรง ไม่โครจร อ, ออกนอกวิถีในโดนร้อนหรือดูหรือฤดูนหนาวแม้ฉันใดเธอจงจงอย่าเดินออกนอกวิถีทางในสัจจะทั้งหลายถึงฝั่งแห่งสัจจะบารมีแล้วจกบรรลุผ้าสัมโพธิญาณได้แปดอธิฐานะบารมี เธอจองบำเพญอธิฐานบารมีเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิฐานนบารมีอันว่าภูผาตั้งมั่นดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวด้วยลมแรงกล้าแม้ปราณใดย่อมอย่างตั้งอยู่ได้ในของตนโดยไม่ขยับเคลื่อนจากที่ฉันใดเธอจองเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิฐานนบารมีทุกเมื่อไปฉันนั้น เธอบำเพ็ญอธิษฐานบ ร, รมีแล้วจักบรรลุพระสัมโภธิญาณได้เก้ารร จ, จงเป็นอันว่าฝน <ตา S 1> เมื่อตกแล้วย่อมไหลและฝากความเย็นเธอจงเจริญเมตตาให้เสมอกัน ทั้งในคนดีและคนชั่วทั้งในศัตรูและมิตรจงแผ่เมตตาไปให้สม่ำเสมอในคนที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและคนที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเธอบำเพ็ญเมตตาบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้สิบอุเบกขาบารมีเธอจองบำเพ็ญอุเบกขาบารมี จงเป็นผู้มีจิตเป็นกลางมั่นคงดุจตราช่างอันธรรมดาแผ่นดินย่มวางเฉยต่อสิ่งที่ทิ้งลงมาทั้งที่สะอาดและไม่สะอาดทั้งสองอย่างเว้นจากความยินดียินร้ายชั้นใดเธอจองเป็นผู้มีจิตกลางมั่นคงดุตราช่างในความสุข บาเเพนโอเบขาบรมีแล้วจักบรรลุพระสามโพธิญาณฉันอต่อไปเดิะสายายบรมีสามสิบทอมกันนะทานาปารามีสามปานโน นาอุปปารามิสามปันโนธาณาปรามัตถปามีสามปันโนเมตตาไมตริกรุณามุทิตาอุเบก ปาระมิสามปันโนอิติปิโสภะโขสีละปาระมิสามปันโนอุปปารามิสามปันโนสีระ ปารามาตาปารามิสามปันโนเมตตาไมตรีกรุณามมทิตาอุเปกขาปารามิสามโนอิติปิโสมักาวะ เนคามาปารามิสัมปันโนมาอุปปารามิสัมปันโนเนคามาปรมาธปารามิสัมปันโน เมตตาไมตรีกรุณาโมติตาอุเปกขาปารามิสามปันโนเปโซมคาวะปัญญาปารามิสามปันโนปัญญา พรามีสามปันโนปันญาปารามธาปารามีปันโนเมตตาไมตรีกาลุณาอุเบกขาปารามีสามปัน อิติปิโสมคฆาวะเวริยาปารามิสัมปันโนเวริยารามิสัมปันโนเวริยา มาธาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีนามุทิตาอุเปคาปารามิสัมปันนิติปิโสภควะคันติปารา มีสามปานโนคันเตโอปปารามีสามปันโนคันเตถ้าปารามีสามปานโนเมตตามตรี การุณามุติต้าอุเปคาปาราสัมปันโนอิติปิโสมควาสัจาปารามิสัมโนสัจาอุปปาลามิ สัจาปรมาทัพารามิสัมปันเมตตามายตริการุณามุทิตาอุเบกขาปามีสัมปันโน้อยติปิโสบคาวา ธิฏานาปารามิสัมอาทิฏานาปะปารามิสัมปันอธิฏานาปรมาธาปารามิสัมปันโนเมต ไมตริกรุณามุทิตาอุปเปขาปาลาสัมปันโนอิติปิโสมขวะเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปาราม เมตตาปารามาาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตริการุนหามุติตาอุเปขาปะมิสัมปันโนอิติปิสมะฆาวะ อุเปคขาปารามิสัมปันโนอุปปารามิสัมปันโนอุเปคขาปรมัาปาามีสัมปันโนเมตตาไมตรี รุนหามุติตาอุเปขาปารามสามปันโนอิติปิโสมะเกวธาสัปปารามิสามปัน ท่าซาอุปปารามิสามปันโนทาสาตปารามิสามปันโนเมตตาไมตรีกลาลุนโหติตาอุเปกัา ามิสามปันนอิเตเปโซมาวะพุทธังสารานังคาชามิธัมมงสารานังคาชามิสรังสารานังคาชามินามา สาธุสาธุสาธุอขอโมทนากับพวกเราด้วยนะที่ตั้งใจในการที่สาธยายสวดสรรเสริญคุณของพระผู้มีรภาคเจ้าแล้วก็พลนาบารมี30ทัพทัตที่พระผู้มีรภาคเจ้าได้ทรงบ่เพนเมาตอนนี้อยู่ในสู่ในช่วงการศึกษาพระธรรมคำสอนโดยเฉพาะในเรื่องของคำพีสัมภารวิบากที่บอกว่ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสในการที่ศึกษากันมาค่อนข้างหลายครั้งหลายตอนเนี่นะแต่ชีวิตก็ดังที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบกันอยู่ว่าภาวะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะว่าสถานการณ์ภายในก็คือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิวิจิกิจฉาหิริกานอตตะปาบาปอากุศลธรรมมันลามมกทั้งหลายที่มันไหลท่วมทับกระแสจิตเราท่านทั้งหลาย อันนี้ก็เป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดนะนับว่าร้ายแรงกว่าภัยภา ย, ยนอกละที่เราท่านทั้งหลายได้เจอและในขนาดเดียวกันก็มีภัยภา ย, ยนอกอีกมากมายและเกินที่โถมก็นำก็มาเนี่ยนะในกระแสะขันทตดระยะตนาของเราท่านทั้งหลายฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมายึดหลักหลักในที่นี้ก็คือหลักพระบารมีธรรมของพระผู้มีภาคเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมา ในหลักบารมีธรรมที่พระบรมศาสดาได้ทรงบำเพ็ญมานั้นเพราะอะไรพระองค์บำเพ็ญบารมีมานั้นโดยวัตถุประสงค์โดยเป้าหมายที่พระผู้มีภาคเจ้าได้บำเพ็ญบารมีนะมานั้นก็เพื่ออะไรเพื่อจะลื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากสังสารวัตรทาไมต้องลื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากสังสารวัตรเพราะว่าในสังสารวัตนี้มันเต็มไปด้วยชาติทุกข์เต็มไปด้วยชราทุกข์พยาทุทกข์มรณะทุกข์ ตเต็มไปได้วยความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็ความคับแค้นใจอย่างหนานแน่นฉะนั้นในกระแสขันท่าในยตนาของเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันตเต็มไปได้วยความทุกข์ทั้งภายในทุกข์ทั้งภายนอกใช่ไหมฉะนั้นความเจ็บปวดต่างๆเหล่า น, นี้นี่แหละที่พระบรมศาสด า, สดาทรงบําเพ็ญบารมีมาเนี่ยอย่างยาวไกลเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็คงจะเห็น ว่าสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้กว่าเราจะผ่านกันไปได้แต่ละวันแต่ละเวลานั้นมันต้องผ่านอุปสรรคกันอย่างมากมายเลยนะถ้าเรื่องย่อกรณีที่เรามาเข้าเชื่อมโยงในเรื่องคําว่าพุทธวงศ์เนี่ยนะพุทธวงศ์กรณีที่พระองค์ได้รับพุทธบยากรในชาติต่างๆว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนามว่าโคธมะนั้นน่ะความเป็นมาของพุทธวงศ์ที่เราจะเริ่มสืบค้นกันมาตั้งแต่เสียสงไข่ ย, ยิ่งด้วยแสนกลับเป็นต้นมาเนี่ยนะ มตันหังกรเมธังกรธรนังกรแปแล้วว่าท่านไม่ได้รับพุทธบยางกรท่านมาเริ่มในรัตพุทธบยางกรตั้งแต่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วเนี่ยหลังจากที่พระโรมศาสดาได้ตัดสรุนุตตะสัมมาสัมพธิธญาณใช่ไหมเรื่องต่างๆเหล่านี้ใครเป็นผู้เล่าพระผู้มีพภาคเจ้าเป็นผู้เล่านีหลังจากที่ได้ตัดสรูุนุตตะสัมมาสัมพธิธญาณแล้วเนี่ยนะ แล้วก็เสด็จในพรรษาที่สองที่กรุงรา ช, ชคฤื้หลังจากออกพรรษาแล้วพระพุทธบิดาก็เชิญพระบรมศ า, ศาสดานั้นไปกรุงกะเวลพัทอันเป็นดินแดนมาตุภูมิของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือที่เกิดของพระองค์นั่นเองในขณะที่ประทับอยู่ที่อุทยานนิโคทารามพร้อมด้วยพระสงฆ์สองหมื่นรูปก็ทรงเห็นบอกว่าพวกเจ้าสักยะมีทิฐิมาณนะจัดมา ที่มีทิฐิมานะจัดนั้นเพราะถือว่าตนเองนั้นอยู่ในตะกรูลกษัตริย์เป็นต้นยังไม่แสดงความเคารพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือแสดงความเคารพต่อพระองค์อย่างสนิทใจเพราะบางรายก็ส่งโอรสไปเฝ้าแทนพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นอากับกิริยาของเจ้าสักยะที่เต็มไปด้วยตัณหามานะทิฏฐิใช่ไหมคนมีทิฐิก็เป็นอย่างนี้แหละไปอยู่ณที่ไหนก็ก็จะมีทิฐิ มีมานะแสดงออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐิละมานะนั้นไม่ใช่อยู่ในฐานะเป็นอนุสัยถ้าทิฏฐิและมานะอยู่ในฐานะเป็นอนุใส่ ย, ยกิเลสแปลว่ายังไม่เข้าสู่กระแสจิตโดยฐานะเป็นชาวนะแต่ถ้าหากว่าเข้าสู่ในกระแสจิตโดยฐานะเป็นชาวนะแล้วเขาเรียกเป็นปริยุทธานนะแม้เป็นปริยุทธานะก็ยังไม่สามารถทําให้กายวิญยัตวจีวิญญนัตนมีการขยับขยขเขยื้อนเคลื่นอนไหวออกมาเป็นต้นได้ใช่ไหม แต่เพราทิฏฐิละมานะเป็นต้นเหล่านั้นแหละมันมีกําลังมากขึ้นจากการที่เป็นปริยุทธานะแล้วก็ล่วงเลยชาวนาออกมาโดยการเป็นเป็นปัจใจให้เกิดกายวินยัตและวิจีวิญญัตเมื่อมีวิญญัตในการเคลื่อนไหวออกมาทางกายทางวาจาเพราะทิฏฐิมานะหน้าต่างๆเหล่านั้นก็มีการประกาศออกมาทางวาจามีการแสดงออกมาทางกายฉะนั้นเจ้าสักยะก็เป็นผู้มีทิฏฐิมานะมาก ก็ถือว่าตนเองนั้นเป็นกษัตริย์ที่มีความบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่เป็นต้นคนเราก็เป็นในลักษณะอย่างนี้แหละถ้ า, ากเกิดอยู่ในชาติตระกูลที่ค่อนข้างบริสุทธิ์บุดปองก็ยึดถือชาติตระกูลใช่ไหมแม้เกิดอยู่ในตระกูลปันกลางก็ยึดถือความเป็นปันกลางแม้เกิดในตระกูลต่ำก็มีทิฏฐิมานะในฐานะในความยึดเปในตระกูลต่ำ ฉะนั้นกรณีทิฏฐิมานะลองยกขึ้นออกมาประเด็นในการขัดแย้งกันวู้จะขัดแย้งกันได้ทั้งวีทั้งวันมันไม่ไม่ง่ายเลยแตมนุษย์เราเนี่ยนะเพราะปกติก็เป็นผู้ที่หนาแน่นด้วยมิจฉาทิฏฐิหนาแน่นด้วยสัจจะทิฏฐิหนาแน่นด้วยความเม้นผิดหนาแน่นด้วยมานะอยู่แล้วถ้าเอาอาหารไปให้มานะมากๆ ม, ม, ม, มานะก็โตขึ้นในขณะขึ้นนะก็การแย่งแบ่งแยกชนชั้นเป็นการแบ่งแยกได้ง่ายที่สุดเพราะสัตว์โลกนะั้นมีกันอยู่แล้วในสี่จริงจริงสัตว์ก็ขัดแย้งกัน นี่ก็เหมือนกันเจ้าสกยาก็มีทิฏฐิมานะถือตัวจัดยังไม่แสดงความเคารพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเสน่ใจเพราะบางรายก็ส่งเบียงราชโอรสเท่านั้นไปเฝ้าเพราะกลัวว่าตนเองนั้นจะต้องไปกราบพระพุทธเจ้าซึ่งมีอายุน้อยกว่าเป็นต้นพระประม า, าสสะสุดาก็แสดงอิทธิฤทธิในท่ามกลางหมู่ระยุรญาติเมื่อแสดงอิทธิฤทธิมีการแสดงยะมะกติหารโดยประการและต่างๆ จนพระพุทธบิดาและปะยุรยาธเนียอมลดทิถีมานับมานะลงและกล้มลงกราพระพุทธองค์จากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเนรมิต ร, รัตนจงกรมในอากาศพาดยาวจากทิศตะวันออกเออจากจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกเดินจงกรมและแสดงธรรมไปมาพร้อมๆกันนี่เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงได้วิจิตมากนี่นะ เราท่านทั้งหลายเคยอาจจะเคยเห็นใช่ไหมอาจจะเป็นสัตว์เดรๆช้างเคยเห็นหรืออาจจะอะไรเคยเห็นก็ไม่รู้แต่เราก็ลืมเพราะสองพันกว่าปีแล้วก็จําไม่ได้ด้วยอัตฉยาสายของเรานั้นไม่มั่นคงเนี่ยในส่วนจริงเราก็หลุดรอดกันมาอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้นี่แหละนะในส่วนจริงกระแสะขันทาตั่ยยตนาของเราท่านทั้งหลายก็ไม่รู้จะละหกละเหินไปหนะ้าที่แห่งหนดํำบนใดหรือประเทศใดหรือชาติใดใช่ไหมนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ยในโลกใบนี้ที่ยังไม่เคยเกิดไม่มีนะ แม้ในน้ำก็เกิดมาเรียบร้อยหมดแล้วบนต้นไม้ก็เกิดมาเยอะบนภูเขาบนป่าเขาบนห้วยน้องคลองบึงต่างๆเราเคยสัมผัสมาเบ็ดเสร็จหมดแล้วแต่ได้ความที่เรานั้นเป็นสัตว์ที่มีสัญญาที่สั้นมากเลเนะี่ยในส่วนจริงก็ระลึกไม่ได้ถึงระลึกได้ก็เป็นอาหารงมิจฉาทิฐีซึ่งเป็นโทษมากๆเลยนะอย่าระลึกได้ก่อนในขณะที่วิปัสสนาญาณไม่เกิดนะแต่อย่างนั้นเสียหายมากยิ่งระลึกกับมิจฉาทิฐีก็กินตายเลยนะ งันคนระลึกชาติได้ก็เป็นเหยื่อของมิจฉาทิฐิระลึกไปในอนาคตได้ก็เป็นเหยื่อของมิจฉาทิฐิเนี่ยโทษของการไม่เดินสมถาวิปัสนาให้แข็งแรงในกระแสขันท่าในยตนาเสียหายมากตรงนั้นนะ่ะพวกประโยชน์ญ า, าทั้งหลายก็ก้มลงกราบพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็แสดงดังที่ได้กล่าวนะแสดงรัตนจงกรมแล้วก็แสดงทำพร้อมกับการแสดงอิทธิฤทธิ์ไปพร้อมกันลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการแสดงอะไรทั้งอาเทศนาปฏิหาร ทั้งอนุสาสนีปฏิหารทั้งอิทธิปฏิหารสรุปก็คือแสดงทั้งอิทธิปฏิหารทั้งอาเทศนาปฏิหารทั้งอนุสาสนีปฏิหารถ้าอิทธิปฏิหารก็คือแสดงฤทธิ์ไปด้วย อาเทศนาปฏิหารก็คือดักใจคนฟังไปด้วยเนี่ยรู้ใจคนฟังไปด้วยเนี่ยนะแล้วก็อนุสาสนีปฏิหารก็คือการแสดงความมหัศจรรย์ของพระธรรมคําสอนที่พระบระมา ศ, าศาสดาทรงตัสรู้นุตตะสัมมาสัมโพธิญาณด้วยนั่นแหละปฏิหารหลากหลายมากที่พระบระมา ศ, าศาสดาแสดงในการที่จะเล่าประวัติเล่าอาดีตของอบพระองค์เนี่ยนะขณะนั้นภาษารีบุตรอยู่ที่ภูเขาคิชกูดก็ทราบเหตุการณ์นะั้นแล้วเนะี่ยก็ อัศจรรย์ใจมากสะดุ้งสะเทือนก็พลางคิดในใจว่าหากเราไปกราบทูลให้พระบรมศาสดาทรงแสดงความเป็นมาของ พ, พระพุทธเจ้าในขณะนี้จะเป็นการดีเป็นแน่แท้พอคิดอย่างนั้นบเบสเสร็จท่านพระสารีบุตรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ห้าร้อยรูปก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนหะ็นดูลองคิดดูทีจากรกุงราชเครื่อกุงกบิลพัฒนะเรานั่งรถกันก็โหเล่นเป็นวันๆเลยเนี่ยนะ ถ้าพระในยุกนั้นท่านก็มากันเรื่องปกติมากเลยนั้นท่านมาเป็นเรื่องปกติมากก็แปลว่าท่านไปเฝ้าพระบรมศา ส, สดาทูลให้พระบรมศา ส, สดาทรงแสดงธรรมพระผู้มีพระเจ้าก็เลยแสดงพุทโ์เนี่ยมูลเหตุก็คือท่านภาษารืบุตรโอกคขอให้แสดงเถอะความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าเป็นมาอย่างไรขอให้พระบรมศา ส, สดาโปรดแสดงด้วยเถอะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ข้าพระพุทธเจ้าแล้วตลอดถึงสาวกเป็นต้น ที่จะมาในภายหน้าเป็นต้นเราเนี่ ย, นยในครั้งลำดับนั้นนะคือรัตนจงกรมกันก็คือพระบรมศาสดาก็แสดงอิทธิเนรมิตรที่จงกรมหลากหลายต่างๆเดินจงกรมด้วยแสดงธรรมด้วยเพื่อโปรดปรโยญาติที่มีทิฐิมานะกล้าจนทุกพระองค์ยอมรับจากนั้นจึงทรงแสดงประวัติของพระพุทธเจ้านับแต่เป็นพระโพธิสัตว์นะก็ไล่มาตามลําดับที่จริงพระองค์ก็แสดงนะั้นในญาติตัวเนี้ย และก็มาลำดับที่เราศึกษากันก็คือลำดับที่เป็นสุมเมธาดาบทเป็นต้นเนี่ยนะเริ่มบํำเพ็ญบารมีผ่านพระเจ้ามายี่สิบสี่พระองค์ก็ไล่ลำดับเลยจึงได้ทรงตัดสู้เป็นพระเจ้าองค์ที่25้านี่ไ ร, ร่ลำดับเลยนะทีนี้ในสุมเมธกถาก็ทรงแสดงพระชาติที่เป็นสุมเมธะชาวกรุงอมมาลาเป็นต้นเหล่าเนี้นะเราทรงแสดงถึงชาติที่เป็นสุมเมธะเป็นต้นเหล่านี้สละทรัพย์สมบัติออกพนวดออกบวชนั่นเอง เป็นดาบทบําเพ็ญพศอยู่ในป่าหิมพานจนบรรลุอภิญญาหและสมาบัตแ8ต่อมาก็ได้ทอดตัวเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าพระนามวัตรีปังกรเนี่ยพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกอีก4ี่แสนรูปเสด็จข้ามไปแล้วก็ประทับและวัตรีปังกรพุทธเจ้าได้พยากรณ์ว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้านามว่าโคดมในอนาคตก็เริ่มบําเพญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าที่ได้เป็นนิยตตาโพธิสัตว์ตั้งแต่ชาตินั้นนะ ในการบำเพ็ญบรารมีต่อจากนั้นมาก็ทรงได้รับพยากรจากพระเจ้าอีกยี่สิบพระองค์ตามลําดับเนี่ยในลักษณะอย่างนี้ที่เราท่านทั้งหลายจะศึกษาเป็นไปตามลําดับกันก็คือว่าพุทธวงศ์ก็คือว่าว่าด้วยวงของพระเจ้านี่นะท่านก็เล่าเรื่องบอกว่าพระทีปังกรพุทธเจ้าเนี่ยว่าโดยประวัติของพระทีปังกรที่อาจมาได้ว่ามาได้ครั้งที่แล้วก็ไล่ไปตามลําดับไม่ว่าจะเป็นประวัติของพระทีปังกรประวัติของพระสุมังคละเออพระ ทีปังกรสธนังกรเป็นต้นเนะี่ยตามลําดับนี่นะก็ไล่ไปตามลําดับของวงที่พระพุทธเจ้าท่านได้ได้ตรัสรู้เนี่ยได้ได้ผ่านการในการที่ได้รับพุทธพยากรเป็นไปตามลําดับฉะนั้นในการที่พระบรมศ า, าสดาของเราท่านทั้งหลายเนะี่ยเริ่มถ้าหากว่าพระตันหังกรเนี่ยนะพระเม ร, ร, รังกรธนะังกรในท่านยังไม่ได้รับพุทธภยากรใช่ไหมอันนั้นยังอยู่ในข่ายของเป็นอนิจจตาโพธิสัตว์มาเริ่มได้รับพยากรตั้งแต่พระทีปังกรเนะี่ย สามาสุมุตตเ จ, จ้าแล้วก็พระโกนธัญญาพุทธเจ้าพระมังคละสุมโนโรเรวตะโสพิตะแล้วก็อนมทตสีปทุมโมนารทะปทุปทุมุตระแล้วก็สุเมทโทสุชาโตเป็นต้นปิยาทาัศนีอัฏฐทาัศนีธรรมาทาัศนศีสิทธาทาัตถะติดโสพุทโสวิปสัสีสิกขีเวสภูกุกุสันธะแล้วก็โกนาคมณนะกัสสปะแล้วก็พระผูะ้ยิ่งภาคเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ย ดูร่องรอยการเดินทางในการสร้างบารมีของพระพู้มีพภาคเจ้านั้นเป็นร่องรอยหรือเป็นการระยะทางเวลาที่ยาวไกลมากทีนี้ในกรณีที่พระบรมศาสดาเนี่ยท่านได้สร้างบารมีต่างๆเหล่านี้หลังจากได้ตรัสรู้นุตตาสัมมาสัมพธิยาณเป็นต้นแล้วเนี่ยให้สังเกตที่เราท่านทั้งหลายนะสังเกตดูอะไรรู้ไหมดูการที่พระบรมศาสดานั้นน่ ท่านได้สัพพัญยุตยานก็ประดับไปด้วยคุณต่างๆเช่นทศพลายานสิบเวสารัชยานสี่ปฏิสัมพิทายาณสี่เป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พระองค์นั้นมีครบนะด้วยปฏิหารต่างๆอย่างมากมายให้สังเกตดูว่าไม่ว่าจะเป็นภาพปเจกพรพุทธเจ้าหรือสาวกของพพุทธเจ้าระดับไหนก็แล้วแต่บุคคลเหล่านั้นนั้นไม่สามารถที่จะมีญาณวิถีต่างๆเหล่านี้ได้ครบถ้วน พระบุคคลเหล่านั้นนั้นไม่ได้บําเพ็ญบารมีให้เต็มเหมือนพระบรมศาสดาของเราท่านทั้งหลายแต่พระบรมศาสดานั้นทรงบำเพ็ญบารมีมายี่สประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากับใช่ไหมพระ อ, องค์จึงมีพระบารมีเหล่านี้เต็มบริบูรณ์มีอาสาธรรญาณหฉะนั้นในอาสาธรรญาณหกนี่แหละที่เป็นปัจจัยทําให้พระพุทธเจ้านั้นได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพุทธเจ้านะัพระ อ, องค์จึงรู้อัธยาศัยของสัตว์ได้อย่างมากมายใช่ไหม แล้วในส่วจริงๆจริยาจริยาของสัตว์ทั้งหลายเช่นราคะจริยาโทสัจจริยาโมหจริยาใช่ไหมวิตกาจริยาเนี่ยหรือศรัทธาจริยาแล้วก็พุทธจริยาจริยาหรือจริตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้พระบรมศาสดานั้นรู้อัธยาศัยรู้จริตของสัตว์เหล่านี้ฉะนั้นเวลาพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมก็ทรงแสดงธรรมเพื่ออนุกูลหรือว่าอนุโลมตามจริตตามอัธยาศัยของสัตว์เหล่านั้นได้ ฉะนั้นจึงทําให้สัตว์เหล่านั้นนะถ่ายถอนถ่ายถอนอนุสัยออกจากกรมลสันดานของตนเองได้ให้สังเกตดูนะว่าพระประเจกพระพุทธเจ้าก็ดีหรือสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีเนี่ยหรือแม้กระทั่งฤาษีต่างๆ่างเราเนี้ยนะเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยท่านสามารถแสดงศีรักษาได้สามารถแสดงสมาธิคถาเป็นต้นได้ใช่ไหมแสดงสีรักษาสามารถสงบระงับอะไรบาปธรรม ท, ทั้งหลายที่เป็นที่เป็นวีติกรมะ บาปประทับทั้งหลายที่จะทําให้ล่วงละเมิดออกมาทางกายกรรมวิีกรรมฉะนั้นกายวิญยญัตวิจีวิญยัตของสัตว์เหล่านั้นไม่ล่วงละเมิดนั้นเพราะเพราะว่าสาวกของพระทีเจ้าหรือพระปเจริญพระทีเจ้าติดต้นหรือแม้แต่ฤาษีทั้งหลายนั้นท่านก็แสดงให้ไม่ล่วงละเมิดได้สูงไปกว่า น, นั้นท่านแสดงสมาธิกระถาก็ะดากระถาที่ว่าโดยสมาธิมีปฐมวิชันทุติยวิชันตาติยวาชันสามารถสงบความกุ้มรุมในใจเกี่ยวกันในเรื่องของนิวรธรรมเป็นต้นได้ใช่ไหม แต่ท่านเหล่านั้นไม่สามารถแสดงมรรคคาถ า, า, า, า, าที่จะสามารถเป็นปัจจัยในการถอนอนุสัยยกิเลสของสัตว์ทั้งหลายให้หมดสิ้นจากกระบวนารสันดานเป็นต้นได้ยกเว้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจากนั้นพระบระมาศาสดาเนี่ยท่านมี ในวันวันหนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของพระบรมศาสดาที่ได้ทรงสร้างบารมีเนี่ยเราดูตรงไหนหรู้ไหมถ้าเพิ่มพูนบารมีของเราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องดูการที่พระบรมศาสดานั้นพระองค์เนี่ยสมบูรณ์ไปด้วยการทําพุทธกิจทั้ง5้าประการยังความเลื่อมใสสังเวชให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วยกําลังแห่งฤทธิ์ของพระองค์นะหลายอย่างในพุทธกิจทั้ง5้าประการนั้นที่ชื่อว่ากิจนั้นมีอยู่สองอย่างใช่ไหมกิจที่มีประโยชน์กับกิจที่ไร้ประโยชน์ ในกิจสองประการนั้นกิจที่ไร้ประโยชน์นั้นพระบระมาศ า, าสดาของเรานั้นทรงถอนทิ้งแล้วด้วยอาราธามัคยาณนะนโพทิบัลังนั่นแหละนั้นกิจที่ไร้ประโยชน์เนี่ยพระพุทธเจ้านั้นสามารถทำลายได้หมดสิ้นแล้วแต่เราท่านทั้งหลายลงมานึกดูที่ในกระแสะขันธาตุอายตนาของเราท่านทั้งหลายเต็มไปด้วยกิจที่ไม่มีประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ราคาโทสาวงหามานะทิถิวิจิกิชา้าหิริกาโนตปะและอุทะจต่างๆเหล่านี้ เวลาเกิดขึ้นในกำมูลสันดานของเราท่านทั้งหลายณนะเวลาใดก็ทํากายกรรมวิจิกรรมให้ออกมากระทํากิจในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์อยู่ลำบ่อยเช่นนั้นฉะนั้นเมื่ อ, อไรเนะ้ะเราจะส่อถอนกิจที่มันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยออกจากกำมูลขันธ์ของเราท่านทั้งหลายได้ก็ต้องอาศัยพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแลาาานะชมลมกระแสขันธ า, อาตอุปนิสัยของเรานั้นเพื่อจะกระชาก กิเลสอาสวะอนุสัยทั้งหลายที่มันฝังแน่นในกมลสันดาเนี่ยออกเพื่ออะไรเพื่อจะถอนกิจที่ไม่เป็นประโยชน์แต่พระบรมศ า, ศาสดานั้นท่านถอนกิจเหล่านั้นได้แล้วนะที่พวงควงโพธิบาลังนั่นเองกิจของพระบรมศาสดาจึงมีเฉพาะแต่กิจที่มีประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นหลังจากที่พระบรมศาสดาตัทธโรโนตระสัมมาสัมโพธิญาแล้วพระองค์ก็มีกิจที่เป็น ประโยชน์โดยส่วนเดียวปุเรพัฒกิจกิจก่อนชั้นก็เป็นประโยชน์ปัจฉาภัฒกิจกิจหลังชั้นก็เป็นประโยชน์ปริมายามกิจกิจช่วงยามต้นก็มีแต่ประโยชน์ปัจฉิ ม, มายามกิจก็คือกิจในท่ามกลางก็มีแต่ประโยชน์แล้วก็ปัจฉิมยามกิจกิจในช่วงยามสุดท้ายก็ประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นในกรณีในลักษณะที่พระบรมศาสดานี่นะพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลุกขึ้นแต่ช้าตรูเลยนะ ในปุเรพัตกิจเราท่านทั้งหลายเวลาตื่นตอนเช้าเราคิดบ้างไหมเราเห็นไหมว่าพระบรมศาสดาตอนเชา้าๆนี่พระองค์ทำกิจอะไรเนาะพระองค์ทรงปฏิบัติสรีรกกิจเนี่ยเช่นล้างพระพักตร์เบ็เสร็จแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้พุทธอุบถากได้ถวายการปฏิบัติแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้สีลามีความผาสุกและก็ทรงประทับยับยั้งอยู่ณอาสนะที่เงียบสงด เงียบสงบเนี่ยพระองค์ทําอะไรเนาะเนี่ยเพื่ออยู่ในพระสมาบัตทเป็นต้นเหล่านี้หรือเพื่อระลึกในการจะตรวจว่าจะวันนี้จะไปโปรดท่านผู้ใดเป็นต้นถึงเวลาเสด็จออกบิณฑบาตพอถึงเวลาเสด็จจาริกออกบิณฑบาตก็จะทรงนุ่งอันตราวาสกแล้วก็คาดประคตเอวหม่มทรงจีวรแล้วก็ทรงบาดเนะบางครั้งก็เสด็จไปพระองค์เดียวบางครั้งก็มีภิสูจน์ทรเป็นบริวารติดตามเสด็จไปตาม ขนทางบินาบาตยังหมู่บ้านหรืออย่างนิคมบางครั้งก็เสด็จไปอย่างปกติบางครั้งก็ไปอย่างมีปฏิหารอย่างหลากหลายเวลาเสด็จไปก็มีอย่างมามีปฏิหารอย่างหลากหลายพระ อ, องค์ไปยังไงพระองค์ก็ไปว่าเมื่อพระบรมศ า, ศาสดาไปบิณาบาตก็จะมีลมพัดโ ช, ชอยอ่อนๆเนาะพัดนําหน้าแผ่วพื้นพัดสุ่ทาให้สะอาดหมดจดละองฝนก็ลอยเป็นเพดานอยู่เบื้องบ น, บนโปรยลงมา เล็กน้อยเหมือนที่เรากำลังมากันอย่างเงี้ยนะฝนโปรยนิดๆจะมาแต่ว่าพระเจ้าเป็นไปในลักษณะที่เป็นฝนที่เป็นฝนทิพย์เนาะโปรยละองลงมาละงับฝุ่นละองในหุนทางจะมีกระแสลมอื่นหอบดอกไม้นานาพันโรยตามระยะทางเสด็จไปภูมิภาคที่ดอนก็จะราบต่ำลงที่ราบก็จะที่ต่าก็จะนูนสูงขึ้น ภูมิภาคก็จะราบเรียบเสมอกันในขณะที่พระบรมศา ส, สดานะั้นย่างพระยุคลบาทก็จะมีปฐมชาตินั้นนะ่สัมผัสนิ่มนวลชวนสบายรองพระบาทของพระบรมศา ส, สดาเบื้องซ้ายและเบื้องขวาเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะพระพุทธรัตมีหกสีก็ฉายแผ่ออกจากพระวรากาย พุ่งวนแวบว่าไปหมดใลนะแสงจับอยู่บ้านเรือนของประชาชนและญาติโยมทั้งหลายโดยวิจิตก็บรรดาช้างก็ดีม้าก็ดีหมูวิหกซึ่งอยู่ในสถานที่ของตนก็พากันเปล่งเสียงสำเนียงสนอเนะเสียงกรองเสียงทิพก็บรลือลั่นในอากาศอาพรต่างๆก็ก็บอกว่าเครื่องอาพร มนุษย์ต่างๆลนั้นก็สวมใส่เครื่องอาภรณ์ต่างๆเหล่า น, นี้นะในที่สุดจริงๆก็คือว่าประชาชนก็ทราบว่าวันนี้พระบระมาศาสดาสเสด็จบิณฑบาตในยานย่า น, นนี้แล้วต่างก็นุ่งห่มเรียบร้อยพากันถือของหอมดอกไม้ออกจากบ้านเรือนเดินไปตามถนนเพื่อบูชาพระบระมาศาสดาด้วยดอกไม้ด้วยของหอมด้วยความเคารพ ถวายอภิวาทพระบรมศาสดาแล้วก็กราบทูลบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอแบ่งพระภิกษุสงฆ์ไปจันพระทหารสิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้างบางท่านมีฐานะดีหน่อยก็ร้อยรูปบ้างแล้วก็รับบาตร พระบรมศา ส, สดาปูราตอาสนะกราบนิมนต์ให้ประทับนั่งน้อมพัฒตาหานนำไปถวายโดยความเคารพเนี่ยในรักษณะเงี้ยพระบรมศา ส, สดาสวยพัฒนาหานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรวจดูจิตสันดานนของประชาชนในหมู่นั้นนั้นแล้วก็ทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดให้บางพวกได้รับบางพวกนพอจะถึงไตสราณะาคมพระองค์ก็ อันอนุญาตไตสรสารนาคมให้โปรดให้แสดงบางพวกะจะได้ศีลหพระองค์ก็ประสมาทานศีล5ประทานศีล5บางพวกก็โปรดให้บรรลุโสดาปฏิผลบางพวกก็โปรดให้บรรลุสกาธาคามีผลอนาคามีผลอย่างใดอย่างหนึ่งบางพวกมีอัตยาสัยแก ล, กล่าก็ทรงประทานอาราตผลพระองค์ไปแจกอริยทรัพย์ไปบินธบาตพระองค์ก็ไปแจกอริยทรัพย์ดูไหมแจกมาอย่างยาวไกลแล้วทุกๆพระองค์ก็แจกมาแบบนี้แต่เราท่านทั้งหลายตาบอดแล้วใช่ไหม ไม่เห็นอริยทรัพย์ของพระบรมศาสดาอย่างยาวไกลเวลาพระองค์แจกแจกอริยทรัพย์เราก็เดินหนีกันบ้างหรือก็คิดไม่เห็นมองอริยทรัพย์ไม่ถูกว่าเป็นยังไงเป็นต้นไปหยิบผิดหยิบถูกกันมาอย่างยาวไกลแต่นี้ตั้งหลักกันใหม่ใช่ไหมต่อไปถ้าหากพระบรมศาสดาจะแจกอริยทรัพย์เราจะตั้งใจจริงๆเราจะบ่มเพาะอัธยาศัยจริงๆเราจะทําตาของเราไม่ใช่เป็นคนตาฟ้าบางใช่ไหม มองไปหยิบผิดอยู่เลยไปหยิบก้อนกรวดกลายเป็นเพชรนินจินดาวกลับมาก็มาบูชาก้อนกรวดกันอยู่เลยนะไปที่บา้านไม่เต็มหิ้งเต็มแค่ไว้หมดใช่ไหมเราไม่ได้บูชาพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาอย่างยาวไกลแล้วในที่สุดจริงเราก็เสียหายใช่ไหมแล้วต่อมานั้นครั้นอนุข้อประชาชนเบ็สเสร็จก็ลุกจากอาสนะเสด็จกลับพระวิหารประทับนั่งนะอาสนะที่เขาจัดไว้ในถวายในบริเวณปันนาศาลา รอคอยภิกษุสงฆ์ฉันพัทหารเสร็จแล้วภิกษุผู้อุปถาก็เข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบจากนั้นพระบรมศา ส, ศสดาก็เสด็จเข้าพระคันตกดีเป็นปุเรพัตกิจกิจก่อนฉันด้วยประการอย่างนี้แหละคั้นเมื่อพระบรมศาสดากระทากิจก่อนฉันเบ็ดเสร็จก็พักผ่อนบนอาสนะที่พุทธอุปถาปูราถวายในพระคันตกดีแล้วก็ทรงล้างพระบาทประทับยืนบนตั้งรองพระบาทประทานโอวาทนะ ปธานวาดแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายสิ่งที่พระบรมศา ส, าสดาตรัสบ่อยที่สุดเน่ย น, นะเตือนภิกษุทั้งหลายก็คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท ถ, ถามเรามาพิจารณาดูประโยชน์ตนทีศาสนาคมมั่นคงหรื อ, อยังศีลเป็นยังไงยังมั่นคงหรื อ, อยังเนะ่ แล้วสมถะกรรมฐานที่ปัสนากรรมฐานไหลเข้าสู่กระแสขันท่าอายตนะทั้งหลายหรือยั ง, โ, ย ง, งโสดาบรมัตถถึงหรือยังโสดาบริผลบรรลุหรือแล้วหรือแล้วยังพานิพานของพระโสดาบันได้ทําให้แจ้งหรือยังต้องคิดนั้นประโยชน์ตนโดยเฉพาะประโยชน์ตนเนี่ยเรายังไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยนะก็มาพิจารณาจงหนักว่าตอนนี้เราเสียประโยชน์ตนมาอย่างยาวไกลในสังสารวัตร เราจะควายคว้าประโยชน์ตนเนี่ยเราจะสแสวงหาตนเองเราจะทําให้ตนเองนั้นเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐเออเราเนี่ยวันสักวันหนึ่งลมหายใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเหลืออีกไม่นานเลยใช่ไหมเมื่อลมหายใจขาดไปแล้วก็คว้าน้ําเหลวตามเคยเนี่ยนะเขาเรียกฟาวตามเคยทุกครั้งเลยเนี่ยนะก็มาพิจารณาโดยที่ว่าอะไรเนาะมันเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายว่าทําไมเราจึงไม่สามารถเก็บเกี่ยวของศิกขะสามลงในกระแสขันธ า, ายยตุอจิจนะของเราได้เป็นต้นแล้วเนี่ยนะ ทีนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดการเกิดขึ้นของพระบรมศาสดาเป็นเรื่องยากพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าเนี่ย บอกพระเจ้ากว่าจะอุบัติเกิดขึ้นแต่แล้วพระองค์เนี่ยยากมากไม่ใช่ง่ายๆ่ายเลยนะเหมือนเราศึกษาพระพุทธวงค์วงของพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่านั้นๆจะมีสักองค์นานนานจะมีสักองค์อั้นานนักนานานะที่จะมีบุริวใจเพชรบำเพ็ญบา ร, รมีไปอย่างตั้งมัน่นแบบไม่ล้มงางคันี่แบบไม่ทิ้งการคันเนี่ย ถ้ามีใครสักกี่คนมีจิตใจมุ่งมั่นขนาดนั้นน่ะโดนทุบโดนตีโดนฆ่าโดนจองจาําอะไรสารพัดก็ไม่ยอมถอนอัธยาศัยในการที่จะปรารถนาเป็นพระผู้มีพระเจ้าไฟในระกจะไหมขนาดไหนก็ไม่ยอมถอนนะไม่ยอมทอนนะจะโดนทรมานขนาดไหนเป็นเปรตขนาดไหนก็ไม่ยอมถอนอัธยาศัยนะจะเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ประหลาดเนี่ยเป็นมนุษย์บ้าใบาบอดหนวก็เป็นมนุษย์พุทเจ้าเนะี่ยตอนสมัยเป็นอนันยตาโพธิสัตว์เนี่ยโอ้โหเป็นมาหมดแหละ พอมาเป็นเนียต่โพธิสัตว์ก็ค่อยคล่องตัวขึ้นมานิดขนาดคล่องตัวนิดหนึ่งนะเป็นอบายศัสตร์บอกไม่เล็กกับนกกระจาบเงี้ยไม่โตกว่าช้างก็แสดงยังเป็นอบายศัตว์อยู่นะลองคิดดูทีเนี่ยท่านจะต้องลำบากทําไมใช่ไหมในกรณีที่ได้ได้รับพยากรณ์จากพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านรู้ข้อมูลนี้ไหมรู้อย่างดีว่าจะต้องไปเป็นอบายศัสตร์จะต้องตกนรกต่างๆอลไรเนี่ย ยังอีกยาวไกลอีกมากมายเลวเกินเพราะสังสารวัตรนี่ใครเล่นกับมันแล้วเป็นโทษทังนั้นน่จะเล่นเล่นกี่พบกี่ชาติก็มีโทษเป็นส่วนใหญ่ใช่เราท่านทั้งหลายเราเกี่ยวข้องหน้าที่ตรงไหนมีไหมที่ใจจะไม่เป็นบาปเหมือนเราในกรณีที่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยถามว่าเราจะวางใจให้เป็นไปกับกุศลตลอดเวลาทำได้ยากไหมยากมากบุตุชนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะ การที่เราท่านทั้งหลายจะทําใจให้เป็นไปกับบุญอยูต่ตลอดเวลาให้บุญเกิดได้ยิ่ ง, งยาวไกลและยาวนานจะทําศีลสมาธิปัญญาให้ไหลในกระแสะขันท่าอายตนะอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องยากเย็นมากในส่วนจริงๆแล้วก็เปนในส่วนจริงแล้วก็ตกแล้วหกล้เหินเดินทางกันมาเนี่ยยาวไกลมากแต่โทษของสังสารวัฏมันเจ็บปวดแต่พระบระมา ศ, าศาสดาไม่เคยบ่นว่าท้อเลยนะไม่เคยบอกว่าท้อเลย ฉะ น, นท่านทั้งหลายเนี่ยนะที่บำเพ็ญบรารมีในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะท่านเจออุปสรรคอย่างเงี้ยท่านจะไม่ท้อใช่ไหมท่านจะไม่ท้อเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์วัยวั น, นีใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้าท่านบำเพ็ญบรารมีนะแปลว่าท่านไม่ท้อหรอกท่านในอุปมาท่านเองใช่ไมัมยอมเห็นพีระมิดไหมไอลูกพีระมิดเนี่ยไอมันจะฐานมันโตใช่ไหมแล้วก็มันจะเล็กๆๆๆใช่ไหมข้างบนจะแหลมใช่ไหม ปีรามิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าใครอยู่บนพีรามิดน่ะก็ดูส ง, ง่างามใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพีรามิดนั้มันฟ้ามหัวลงมันเอาเอาเอ า, เอาหัวลงมันจะเทลงทั้งหมดเลยใช่ไหมปัญหาก็จะไหลงั้นพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละปัญหาของชาวโลกถ้าหาปกครองโลกนะปัญหาของโลกทั้งหมดก็จะไหลถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยปัญหาทุกปัญหาก็จะไหลไปที่จุดเดียว น่ยจุดของจักรพรรดิราเด้อหรือหรือถ้าใครปกครองประเทศเนี่ยนะถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะปัญหาทุกปัญหาก็จะโถมทับเข้าไปนั่น เ, นเพื่ออะไรเพื่อบา ร, รมีธรรมจะได้แก่กล้างมองเห็นไหมไหวไหมถ้าเป็นเราไหวไหมแต่พระโพธิสัตว์ต้องไหวอ่ะถ้าคนจะเป็นโบวิพระโพธิสัตว์ต้องไหวนั้นปัญหาทุกปัญหาจะโถมเข้ามาใส่ขนาดไหนก็ต้องไหวก็ต้องทนได้แล้วต้องไม่ทุกข์กับมัน ต้องไม่ทุ ก, กับมันถ้าไม่เจออย่างนี้ขันติบา ร, รมีจะแก่กล้า ย, ยัางไงถ้าไม่เจออย่างนี้สัจจะบา ร, รมีจะมั่นคงไหมถ้าไม่เจออย่างนี้อธิฐานนะบา ร, รมีจะมั่นคงเป็นต้นไหมนั่นแหละบา ร, รมีเราท่านทั้งหลายนะที่เราจะฝ่าฟันในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเนี่ยในการที่จะเดินฝ่าฟันไปในการที่จะตัดกิเลสอาสวะกิเลสทั้งหลายที่มันไหลท่วมทัดกำมูลสันดานของเราท่านทั้งหลายมันก็ต้องต่อสู้กันทั้งนั้นใช่ไหม มันไม่ใช่ได้มากผลมาด้วยด้วยการอาธิษฐานรอยมาหาเราเองไม่ใช่นะมันจะต้องบําเพ็ญบารมีทั้งกยายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยต้องชัดเจนต้องตั้งมั่นต้องมุ่งมั่นกันทั้งนั้นเนะ่ยถ้าใครท้อถ้าใครสู้ไม่ได้ก็เฝ้าวัตตะเฝ้าต่อไปแต่ก็ต้องเฝ้าแบบเจ็บปวดนะในสุดจริงๆก็ก็อยู่ด้วยความเจ็บปวดฉะนั้นพระประม า, ศ า, ศาสสะดาบอกว่าการอุบัติเกิดขึ้นของพระประม า, าสสะดาเป็นเรื่องยากมาก ลองลองมาก็คือการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเรื่องยากเราได้ในสถานะนี้การถึงพร้อมแห่งขณะโอ้โหยากใหญ่เลยเป็นมนุษย์กับเขานี่นะอยู่ในสุคติกับเขาอีกนะแต่การจะได้ขณะขณะในการที่เราลงมาพิจารณาดูนะว่าขณะในการที่ได้มีโอกาสเป็นมนุษย์อยู่ในชมพูทวีป เป็นบุคคลประเภทตีเหตุกตา บ, บุคคลเนี่ยนะได้มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมของพระพุทธเจ้าการถึงพร้อมขนาดเนี้ยหาไม่ได้อีกแล้วอามาเคยอุบมาแบบเล่นๆเนมื่อวานพระก็ถามมันมาถามบอกว่ า, ถ า, วาถามว่าการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเออการเกิดเป็นมนุษย์ในยากขนาดไหนอามาก็บอกท่านทั้งหลาย ถ้ามันมีรอบตัวเราเนี่ยมันมีช่องสักพันช่องเลยนะในพันช่องเลยนะรอบตัวเนี่ยแต่เราตาบอดเนี่ยแล้วให้เดินให้เดินเนยเพื่อให้เข้าช่องให้ถูกเดินหลับตาอเดินตาบอดแล้ววิ่งอะ่ะวิ่งให้มันถูกช่องอะ่ะให้ถูกช่องที่ว่ามีอยู่ช่องเดียวที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยแต่อีกเก้าร้อย